เป็นไงบ้างวันแรกที่ได้ปฏิบัติอ่า่们用功的第二天第一天怎么样呢？เวียนหัว嗯，ทาไมถึงเวียนหัวรู้ตัวไหม为什么头晕呢？知道吗？知道原因吗？ไม่รู้ค่ะทําไม คุณพิสุณีบอกว่าร้อนอากาศร้อนอากาศร้อนมีจีนหน้าร้อนก็ร้อนกว่า น, นี้นะจงกัวจี๋สมะนั่นก็นกว่านี้นะจงจงกัว夏天比这个还要热嗯ตอนนั้นตอนได้ตามหลวงพ่อไปตอนที่หลวงพ่อคาเขียนไปสอนที่เมืองจีนครั้งแรกนะ <c oughs> แล้วก็ได้ตามไปร้อนมาก <c oughs> 呃，第一次我跟著甘田長老去到中國有禅修班，那时非常熱你调武漢呢？会不讲吗嘞？差不多武汉。嗯。讲得，啊，水<啊>， <c oughs> 一天沖涼五次。 ตอกลางคืนเห็นคนออกมานอนที่หน้าบ้านเนาะเอาแค่เอามุงมานอนหน้าบ้านนอนในบ้านไม่ได้มาร้อนวันช่างขห็นคนที่อยใ้านกอหน้าบ้าม่ไ้าว้อนใ่ไหมใช่ใช่ไหมใช่是是ม่หใช่หมใช่ไหมใช่ไหมใช่ใช่ไหมใช 也很的แต่ลงพ่อก็ไม่บ่นอะไรสักคำเลยนะ但是嗯大田长老一点也没有说什么没有抱怨说嗯มาก็ไม่บ่นหรอกแต่อาบน้ำถีบวะไหน<笑>我也没有抱怨说哈只是经常冲凉而已嗯ก็ร้อน้วทำให้ปวดหัวนที่นี พิษณีว่าใช่ไหมร้อน<ช>ทำให้ปวดหวคะอเพราะ่อนี่่เรา่อร้อนที่คเาว่าอร้อนกทุด่รวอ้อนมันืเป็้นครวามร้อนชืร่อ้อนมีคือร่า้นมทีอราการ้อนมี่ืาอก้นือ่าอาา้อมีอมคืร่ามีอาวการอย่สคางอ้าื่านมา้ย ปวดท der, ้องอ่ะ sí ท้องเสียนิดหน่อยปวดท้องอะไรเหอเห็นบางคนก็มีปวดท้องกินเผ็ดใกินเผ็ดใช่ไม่ไหมใช่ไหยใช่ไหมใช่ไหมใชไหนใช่ไหมใน่ไหมใไห่่มไ 他就是泰国人觉得辣一点点，中国人觉得辣的辣的不得了，太辣了。哦 ，T， อะไรนะ ？T， 四川，ก็กินเผ็ดนะ。四川吃的也很辣，ไม่เหมือนกัน。麻辣。<laughs> <笑><笑> อก็ไม่เป็นไรเนาะก็มันปวดท้องแล้วเราทุกข์มากกับมันไหมอืมอืมตอน那个肚子不舒服你对他有没有很很苦没有嗯嗯ก็ ไ, ไม่ไม่ไม่ขังก็อือปรับตัวได้ลก็ไม่ไม่ขันก็คือปรับตัวได้ค่ะอะดีแล้วดีแล้วพอรา่างกายเร า, า, เาอ่ะ แต่ว่าก็ไปก็ปเข้าห้องน้ำบ่อยๆไม่เป็นไรห้องน้ำที่นี่ใกล้ๆที่นีใ่ใกล้ใี่นีล้ี่ีใ้นีกล้ใีนเ่กกีนก้ในี่ใกล้ใกั้ทีนีกล้นกล้ในกล้น่กก ปรับตัวกับอาหารการกินนะที่นอนปรับตัวกับเพื่อนกนบปรับตัวกับที่นอนบปรับตัวกับเพื่อนที่อยู่ด้วยกันหน่อยนะครับที่นอนปรับตัวกับเพื่อนที่อยูดย ไม่ใช่เรามาคนเดียวนะ<嗯>นะเพื่อนจากเมืองจีนมาด้วยกันยี่สิกว่าคน<笑>你要看不是你自己一个人<嗯>还有中国朋友二十多个人我们有泰国来协่的，还有<嗯>中国学员泰国学员也陪陪我们用功。 ไม่ใช่เราร้อนคนเดียวคนอื่นก็ร้อนมันเรา不是我一个人用啊怎么说热其他人也是一样的热แต่นคนอาจจะคิดทำไมเราปวดท้องคนเดียว<嗯>เราท้องเสียคนเดียวก็อื่นไม่เป็นเลย<笑>有的人可能想为什么我指我一个人拉肚子指我一个人嘟 肚, 肚子不舒服คิดไหม有这样的想法吗 เขาบุญเขาบุญเยอะก็เลยปวดท้องถ้าอยากบุญเยอะกว่า น, นี้ไหมแสง่สงเสงฟุบเอ็งต้ า, ตามังนะไม่เกี่ยวกับบุญไม่เกี่ยวกับไม่มีบุญหรอกนะมันเป็นอาการ <c oughs> ของร่างกายที <c oughs> ่สุดไม่ไม่不管 跟福报没有关系，只是身体的一个状况。嗯，คนมีบุญเยอะจริงๆก็คือไม่ทุกมันปวดท้องใจก็ไม่มันจะเป็นอะไรใจก็ไม่ทุก真正的有就是大福报的人就是不苦啊，他怎样的状况身体不舒服、肚子疼也不苦。 แล้วคนมีบุญเยอะอันนี้คือคนที่ได้มาปฏิบัติธรรมเนะี่ยคนมีบุญเยอะนะและที่ได้福报的人就是有机会来修行的人就是叫大福报。บางคนคิดว่าเรามีบุญเยอะถ้าเราได้มีเงินเยอะๆ เ, เพื่อจะได้เอาไปทําบุญเลยนะ。有些人以为大福报就是有很多钱可以用那些钱啊供养啊布施啊。 โจ้功德เป็นความเข้าใจผิดที่คิดว่าทาบุญทาถวายทานจานวนเงินเยอะๆหรือสร้างน้ทา น, น, น, นี่เยอะๆอันนั้นจะได้บุญเยอะอันนั้นยังไม่ใช่นะโจอีไวู้เิอะจะไอะๆได้บา่าอยอะๆไได้บได้บ้ ศาสาจีนนะที่สมัยท่านตักหมอที่ท่านตักหมอมาที่เมืองจีนเนาะดัมโมดัมโมจูชิ来中国的那一段时，达摩祖师来中国的那一段时间有 เดี๋ยนั่งปฏิบัติไปก่อนเรวร อ, อคนหายตัวก็ค่อยว่ากัน